ดีที่วัดร้ายที่บ้านสะท้อนว่ายังประมาทอยู่ได้ชื่อว่าให้ทุกขมากกว่าให้สุขเมื่อการลผลิตผลก็ย่อมได้สุขน้อยกว่าทุกเพราะเวลาส่วนใหญ่เราอยู่บ้านมากกว่าอยู่วัดคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าไปวัดวาไปกราบพระผู้ประเสริฐคือการทำบุญครอบจักรวาลหรือเป็นบุญที่ใหญ่พอ ที่จะได้เกิดใหม่เป็นเทวดากลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยหน้าตาสวยหล่อดวงชะตาดีแฟนดีเพื่อนดีอะไรดีๆถูกใจไปหมดแถมตามวัดยังมีนักโมโนช่วยสาธยายสรรพคุณทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะได้เกิดเป็นข้าหาบดีราชามาหากษัตย์เข้าถึงสวรรค์เข้าถึงนิพพานได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆฉะนั้น หากทากิริยาติ่มติ ม, ตมผู้ดียิ้มย้ ม, ยมแจ่มใสที่วัดก็จะได้ปลายคนดีติดตัวไปถึงชาติหน้าแน่ไม่ต้องแค่ความประพฤตินอกวัดกันหรอกบางคนออกจากวัดกลับบ้านปุ๊บวก ว, กวากปั๊บเพราะเก็บกฎจากการแกล้งดีกวดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดไม่มากพอหลบซ่อนอยู่ในบ้านมิชิตคิดว่าฟ้าดินคงไม่เห็นแล้วเลยทาตาปูตาโปนเหมือนยักษ์ได้เต็มที่ คังที่พระพุทธเจ้าอย่างทรงพระชนผู้คนไม่ได้เข้าใจกันอย่างนี้เช่นพอมีผู้ทูลถามว่าทําบุญอะไรให้ผลครอบจักรวาลไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าพูดง่ายๆคือทําบุญอย่างเดียวได้บุญครอบวงจรพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสตอบว่าให้มาวัดหรือกระทั่งให้มาทําบุญกับพระองค์ท่านท่านชี้ให้ทําที่ใจคือทําใจให้ไม่ประมาท ท่านตรัสว่ารอยเท้าช้างรอยเดียวรวมรอยเท้าสัตว์อื่นที่เล็กกว่าไว้ได้ชั้นใดความไม่ประมาทอย่างเดียวก็รวมเอากุศลธรรมอื่นไว้ได้หมดชั้นนั้นท่านหมายความว่าคนเราเมื่อไม่ประมาทในกรรมก็จะไม่เห็นว่าความสุจริตทางกายวาจาใจแค่เล็กๆน้อยๆอคงไม่เป็นไรแต่เห็นจริงๆว่าความสุจริตทางกายวาจาใจ แม้เล็กๆน้อยๆก็ควรทําเมื่อละความเห็นผิดเพิ่มความเห็นชอบได้อย่างนี้ย่อมไม่กลัวตายย่อมรู้อยู่ว่าตนจะเป็นสุขทั้งปัจจุบันและอนาคตนั่นแหละยอดแห่งบุญทําบุญประการเดียวคือไม่ประมาทแล้วได้บุญครบทุกประการสรุปคือดีที่วัดร้ายที่บ้านสะท้อนว่ายังประมาทอยู่ พูดจาสุภาพกับพระนึกว่าได้บุญใหญ่สุดแล้วแต่กลับมาพูดกระโชกฮกห้ากับลูกเมียหรือคนใช้ได้ชื่อว่าให้ทุกมากกว่าให้สุขเมื่อกำเพลดผลก็ย่อมได้สุขน้อยกว่าทุก